คงไม่มีคนไทยคนใดที่ไม่รู้จักโครงการผ้าป่าช่วยชาติของพระธรรมวิสุทธิมงคลหรือหลวงตาพระมหาบัวญาณสัมปันโนพระชรารูปหนึ่งผู้มีเมตตาล้นเหลือต่อประเทศชาติได้อุทิศสังขารที่สูงวัยและสมควรต้องพักผ่อนในที่สับปะยะแล้วมาเพียรเที่ยวเทศนาให้คนในชาติ รู้สํานึกในการเสียสละเพื่อประเทศชาติในยามคับขันจากเหนือจรดใต้ตะวันออกจรดตะวันตกทุกก้าวของท่านที่เหยียบย่างลงบนพื้นแผ่นดินไทยเปลี่ยนไปด้วยเมตตาคุณอันยิ่งใหญ่เพียงเพื่อหวังให้เราทุกคนสืบจนชั่วลูกชั่วหลานได้อาศัยบนพื้นแผ่นดินไทยอย่างมีเอกราชและมีศักดิ์ศรีไม่เป็นทาตทางเศรษฐกิจในระบบทุนนิยมของโลกสมัยใหม่ เมตตาที่องค์พระชรารูปนี้มีให้ต่อพวกเรานั้นเป็นเมตตาอย่างเดียวกันกับที่พ่อแม่ปู่ย่าตายายของเรามีให้บุตรหลานผู้สืบสายเลือดต่อวง์ตระกูลจะผิดกันก็คือท่านเป็นเสมือนหนึ่งพ่อแม่ปู่ย่าตายายของพวกเราคนไทยทุกคนโดยไม่เลือกที่รักมักที่ชังไม่เลือกว่าใครคนใดจะกล่าวหาโจมตีท่านโดยปราศจากความจริงผลแห่งเมตตาของท่าน ที่ได้ให้กำเนิดโครงการผ้าป่าช่วยชาติและดำเนินโครงการมาจนสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทำให้ทุกวันนี้พวกเราคนไทยทุกคนยังคงรักษาความเป็นเอกราชทางเศรษฐกิจของประเทศเอาไว้ได้เพียงลมปากเพียงลมปากจากองค์ท่าน ก็สามารถเนรมิด ท, ทองคําและเงินสกุลต่างๆเข้าคลังหลวงของประเทศมูลค่ามหาศาลอย่างที่ไม่เคยมีปรากฏในประวัติศาสตร์ชาติใดในโลกไม่มีใครทำได้เสมอเหมือนท่านไม่ได้นำทองคําและเงินเหล่านั้นไปทำประโยชน์แก่องค์ท่านเองแม้แต่น้อยท่านเป็นเพียงผู้ส่งผ่านโดยท่านรับแล้วก็ส่งคืนกลับไปยังคนไทยทุกคนในประเทศ คนจำนวนไม่น้อยสงสัยว่าท่านสามารถสร้างปรากฏการณ์อันน่าอัศจรรย์เช่นนี้ได้อย่างไรแต่พวกเราซึ่งเป็นลูกศิษย์ของท่านขอบอกว่าสิ่งที่บุคคลภายนอกเห็นว่าเป็นเรื่องอัศจรรย์นั้นสำหรับพวกเราแล้วสิ่งนั้นเป็นเพียงอัศจรรย์ของความเมตตาที่ท่านแผ่ให้กับคนไทยทุกคนในประเทศเปรียบเช่นสายฝนที่โปรยปรายให้ความชุ่มชื่นแก่สัตว์โลกโดยทั่วหน้า ไม่เจาะจงต่อบุคคลใดเป็นพิเศษแต่สิ่งที่พวกเราเหล่าลูกศิษย์ได้สัมผัสและพบเห็นเป็นความอัศจรรย์เหนืออัศจรรย์เพราะเหตุเหล่านั้นได้เกิดขึ้นกับพวกเราแบบเฉพาะเจาะจงเป็นสิ่งที่พวกเราประสบกับตัวเองประสบการณ์ที่พวกเราได้พบได้สัมผัสถึงคุ ณ, ณวิเศษของพระชรารูปนี้ซึ่งพวกเราเรียกท่านด้วยความเคารพรักสุดหัวใจว่าพ่อแม่ครูอาจารย์นั้น ไม่ใช่เป็นเพียงด่งสายฝนที่โปรยปลายลงมาให้เราแช่มชื่นใจเท่านั้นบางครั้งก็เสมือนน้ำในมหาสมุทรที่โถมเข้ากระแทกอย่างรวดเร็วและไม่ทันตั้งตัวใส่พวกเราที่ทำตัวเหมือนหนึ่งก้อนหินที่ครูคระจนจิตใจที่หยาบกระด้างดังหินอันครูครนั้นราบเรียบกลมกลึงไปเลยทีเดียวเมตตาธรรมที่ท่านมีให้แก่สิทธิ์ทุกคนนั้นเสมอเหมือนกันหมด แต่วิธีการที่ท่านขัดเกลาวสั่งสอนนั้นแตกต่างกันด้วยเหตุที่ว่าแต่และคนมาจากฐานที่แตกต่างกันฐานในที่นี้ไม่ได้หมายถึงฐานะการศึกษาชาติตระกูลแต่หมายถึงวาสนาในทางธรรมที่ไม่ได้ใช้ฐานะทางการศึกษาหรือชาติตระกูลมาเป็นเครื่องวัดวิธีการที่ท่านใช้ขัดเกลสั่งสอนสิทธิ์คนหนึ่งได้ผลอาจใช้สั่งสอนสิทธิ์อีกคนหนึ่งไม่ได้ผล เราแต่ละคนจึงได้รับประสบการณ์จากท่านแตกต่างกันไปหลายคนมีประสบการณ์ที่ได้รับจากท่านในทางปาฏิหาริย์ซึ่งผมเองไม่อยากให้เปลงหยุดอยู่ตรงจุดนั้นอยากให้คิดว่าปาฏิหาริย์ที่ได้สัมผัสแยกออกเป็นสองกรณีคือหนึ่งปาฏิหาริย์นั้นเกิดขึ้นเพราะเทวดาผู้อารักท่านต้องการให้เราละพยศความถือดีอวดดี หรือสงสัยในคุณวิเศษของพ่อแม่ครูอาจารย์แลาหันมาประพฤติปฏิบัติตามคำที่ท่านสอน 2. ปาฏิหารินั้นหากเกิดขึ้นกับคนที่ไม่ได้ถือดีหวดดีกับพ่อแม่ครูอาจารย์แล้วก็ให้คิดได้เพียงว่าเกิดขึ้นจากความเมตตาของท่านโดยแท้เพราะการจะเกิดปาฏิหาริย์ได้นั้นต้องมีเหตุและผลอันสมควรด้วยญาณวิถีแห่งองค์พ่อแม่ครูอาจารย์ ท่านอาจทราบโดยตลอดแล้วว่าหากไม่เมตตาทางหนึ่งทางใดแล้วลูกศิษย์คนนั้นๆอาจหลงออกนอกลู่นอกทางหรือประสบเคราะห์กรรมอันยากแก่การแก้ไขได้แม้ท่านดํมฤตตริตรองเพียงเท่านี้ก็เชื่อได้แน่นอนว่าเทวดาอารักษ์ที่คอยแวดล้อมองค์ท่านอยู่ก็จะช่วยอำนวยผลให้เกิดตามที่ท่านดํมฤตตริตรองนั้นทุกประการ ดังที่เรียนให้ทราบแล้วว่าประสบการณ์ที่พวกเราทุกคนในฐานะลูกศิษย์ได้รับได้สัมผัสจากองค์พ่อแม่ครูอาจารย์นั้นเป็นแบบเฉพาะเจาะจงและจัดฐานที่แตกต่างกันดังนั้นจึงไม่หวังใจให้ใครเชื่อในทุกๆประสบการณ์ที่ได้ถ่ายทอดลงในหนังสือเล่มนี้แต่เหตุผลที่ได้จัดทําหนังสือเล่มนี้ขึ้นก็เพื่อเทิดทูนและสำนึกในเมตตาคุณที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์มีต่อพวกเราทุกคน จึงถ่ายทอดจากมุมมองและฐานของพวกเราที่แตกต่างกันคณะผู้จัดทำหวังไว้แต่เพียงให้ท่านได้อ่านหนังสือเล่มนี้อย่างพินิจพิจารณาให้ท่วนทีว่าเราได้เดินตามรอยที่พ่อแม่ครูอาจารย์ได้พาพวกเราดำเนินมาแล้วหรือยังและขอให้ท่านเชื่อได้อย่างสนิทใจว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่เคยทอดทิ้งเราเมื่อใดที่ท่านรู้สึกว่าพ่อแม่ครูอาจารย์ไม่สนใจท่านแล้ว นั่นอาจจะเป็นเพราะท่านเอาใจตนเองเป็นใหญ่ตีโพยตีพายโดยไม่สนใจที่จะเงี่ยหูฟังว่าพ่อแม่ครูอาจารย์กำลังสอนอะไรท่านผมหวังเป็นอย่างยิ่งว่านังสือเล่มนี้จะจุดประกายให้ท่านได้เห็นถึงเมตตาธรรมที่องค์พ่อแม่ครูอาจารย์มีต่อพวกเราทุกคนและขอให้เชื่ออย่างสนิทใจว่าสิ่งที่พ่อแม่ครูอาจารย์พาพวกเราดาเนินนั้นไม่มีสิ่งใด เป็นสิ่งที่ผิดทั้งต่อโลกและต่อธรรมในพระพุทธศาสนาแม้แต่น้อยเราเป็นสิทธิพ่อแม่ครูอาจารย์เดียวกันครับลงชื่อคุณหลวงบทความโดยคุณหลวงเสียงอ่านโดยโจโช